ได้หยุดกิจการการงานต่างๆงานทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้หยุดหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่า มหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้การกำหนดวันพระนี้ก็ในสมัยโบราณก็ใช้ปฏิทินทางจันทลคติคือวันขึ้นแรม8ดคำ่ำสิบห้าค่ำแต่สมัยปัจจุบัน เราเปลี่ยนวันพระหรือวันหยุดทำงานมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นชาวพุทธเราถ้าเรายังถือตามจันทลักติอยู่เราก็จะไม่ได้เข้าวัดกันทุกวันพระเพราะต้องรอให้วันพระตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก่อน ถึงจะมีเวลาเข้าวัดได้ดังนั้นชาวพุทธเราควรที่จะปรับวันพระกันใหม่ปรับวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ถ้าเราถือวันพระตามจันทรคติเหมือนเดิมพอวันที่เราวันพระตรงกับวันที่เราต้องไปทำงานเราก็จะไปวัดไปศึกษาไปปฏิบัติทำไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เราหยุดทำงานกันเราก็จะ สามารถไปวัดกันได้ทุกวันทุกอาทิตย์เหมือนกับสมัยก่อนที่วันหยุดทำงานของเราตรงกับวันพระนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยให้ทันกับโลกาภิวัต การเปลี่ยนแปลงของทางโลกเพื่อประโยชน์สุขของเรานั่นเองเพราะถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนเราจะขาดทุนเพราะเราจะไม่ได้เข้าวัดอย่างสม่ำเสมอนานๆเราจะได้เข้าวัดสักครั้งหนึ่งเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ความรู้ที่วิเศษ ที่จะสอนให้เรารู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนรู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้มันหายไปอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วพอได้ศึกษาได้ฟังธรรม ก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติด้วยต้องมีเวลาที่จะปฏิบัติถึงจะได้ผลที่อันเลิศอันวิเศษคือความสุขที่จีรังทาวนความทุกข์และการดับความทุกข์ที่จีรังทาวนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะยังต้อง เจอกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆและความสุขที่เราหากันก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวที่เราต้องคอยหากันอยู่เรื่อยๆหากันไปจนวันตายพอหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดกันใหม่อีกเพื่อมาหาความสุขกันอีก ก็จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จากความสุขที่ถาวร น, นั้นเป็นอย่างไรและจะทำให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่เราติดกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เราได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วถ้าอยากจะรู้ปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของเราว่า เราได้มาเกิดแก่เจ็บตายกี่แสนล้านครั้งแล้วก็ให้เอาน้าตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันถ้าเราสะสมเก็บน้าตาที่เรามาเกิดแล้วมาหลังน้ำตาน้ในแต่ละครั้งที่มาเกิดถ้าเรารวบรวมน้ำตาทั้งหมด น้ำตาของพวกเรานี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดูก็แล้วกันว่าชาตินี้เรามาหลังน้ำตากันได้สักขวดน้ำหรือไม่แล้วจะต้องกลับมาหลังน้ำตากี่พบกี่ชาติกันถึงจะทำให้เรามีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือ ปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราเราทำกันอย่างนี้มาจนมันติดเป็นนิสัยเพราะการหาความสุขของพวกเรานั้นต้องหาผ่านทางร่างกายนั่นเองเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็มาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆกันหาก็ได้มากได้น้อยเท่าไหร่ความสุขที่มันได้มามันก็จะจางหายไปเพราะมันเป็นความสุขแบบควันไฟ ไม่จีรังถาวรไม่ตกค้างอยู่ในจิตใจของพวกเราได้มาแล้ว <c oughs> เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขที่ได้ก็จางหายไปหมดเราก็เลยต้องคอยเติมอยู่ได้เรื่อยเหมือนกับการเติมน้ำมันรถยนต์เราเติมน้ำมันรถยนต์เต็มถัง พอเราขับไปไหนมาไหนได้สักระยะหนึ่งน้ำมันในถังก็หมดเราก็ต้องแวะจอดสถานีบริการอยู่เรื่อยๆจากใด <c oughs> ที่เรา <c oughs> ใช้รถยนต์พาเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆ การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนการมาเติมน้ำมันมาเติมความสุขให้กับจิตใจของพวกเราที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวที่ต่อให้เติมได้เต็มหัวใจมันก็จะไม่หลงติดอยู่ในใจไม่ช้าก็เร็วความสุขที่เราได้เติมกัน มันก็จะหมดไปลองย้อนดูวันตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราได้ไปเติมความสุขไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะกันมามากน้อยเพียงไรความสุขที่เราได้มานั้นตอนนี้มัน หลงเหลืออยู่ภายในใจเรามากน้อยเพียงไรแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกันอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันตายของพวกเราวันตายของร่างกายของพวกเรา พอร่างกายตายไปเราที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากที่จะได้ความสุขผ่านทางร่างกายมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายความอยากนี้มันก็จะพาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาหาความสุขกันอีกครั้งหนึ่งจะหาได้กี่ร่างกายก็ต้องเสียร่างกายไปในที่สุดเพราะโดยธรรมชาติของร่างกายนี้เป็นของที่ไม่ถาวร น, นั่นเองเป็นของชั่วคราวเกิดแล้ว เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือเป็นการติดคุกติดตารางของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราติดคุกติดตารางของร่างกายต้องมามีร่างกายอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขและก็ต้องมารับความทุกข์ของร่างกาย เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่ร่างกายตายไปความทุกข์ของร่างกายนี้ตอนนี้เราไม่ต้องอธิบายก็คงจะรู้กันเพราะตอนนี้เราก็คงจะทุกข์กับเรื่องของโรคระบาดโรคไข้หวัดที่จะมาทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วย และอาจจะทำให้ร่างกายเราตายไปได้เพียงแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเราก็เกิดความไม่สบายใจกันขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความทุกข์มันก็จะมีมากขนาดไหนนี่คือ ผลที่เกิดจากการที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆใช้ร่างกายหาลาบคือเงินทองหายศคือตำแหน่งอำนาจต่างๆหาสรรเสริญการยกย่องเยินยอและหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆที่ เสพได้มากได้น้อยเพียงไรก็ไม่ให้ความอิ่มความพอจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยเหมือนกับการเติมน้ำมันรถยนต์ต้องคอยเติมต้องคอยหาลาบหาได้แล้วดีใจมีความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็เกิดความอยากเพิ่มได้มากขึ้นไปอีกได้คืบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วา ได้แสนก็อยากได้ล้านได้ล้านก็อยากได้สิบล้านอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าได้ถ้าได้เท่าเดิมจะรู้สึกเฉยๆไม่มีความสุขแล้วถ้าได้น้อยก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือผลที่เราได้จากการที่เราหาราบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเรามันจะให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและต้องหาไปจนกว่าที่ร่างกายจะไม่สามารถหาให้เราได้ตอนนั้นเราก็จะมีความไม่สบายใจไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถใช้ร่างกาย พาเราไปหาความสุขเหมือนกับตอนที่ร่างกายแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี้ร่างกายจะไม่สามารถทําหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เมื่อเราไม่มีความสุขใจของเราก็จะมีแต่ความหงุดหงิดนําคานใจมีความทรมานใจ มีความซึมเศร้านี่คือผลที่ตามมาจากการที่เรามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ความสุขที่ใช้ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเนี่ยที่จะมาให้ความสุขกับใจของเราโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราจะรู้ความสุขในรูปแบบนี้ได้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้พบความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราได้พบ บุคคลเหล่านี้ได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือได้อา่านหนังสือธรรมะที่ได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรายังสามารถมีความสุขได้เพราะความสุขแบบใหม่นี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ต้องใช้การปฏิบัติทมเป็นเครื่องมือ การปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้นี่ก็คือการปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาเป็นขั้นตอนของการสร้างความสุขแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องใช้ รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้ใช้การปฏิบัติทานศีลและภาวนาการปฏิบัติทานนี้ก็เป็นขั้นแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ยังไม่สามารถภาวนาได้แต่มีความสามารถ คือมีเงินทองคือสามารถที่จะเอาไปใช้กับการปฏิบัติทานได้ตามปกติเวลาที่เรามีเงินมีทองเราก็จะใช้เงินทองนี้เป็นเครื่องมือในการไปซื้อความสุขต่างๆให้กับเราแต่ความสุขที่เราใช้เงินทองไปซื้อนี้มันเป็นความสุขแบบ ที่มีพิษมีภัยกับจิตใจเพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดงานที่เราใช้เงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นมืยไปหาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆมาเสพเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสพเวลามีเงินทองเวลามียาเสพติด ให้ซื้อให้เสพก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะซื้ อ, อยาเสพติดให้เสพมันก็จะทำให้ใจไม่มีความสุขนอกจากไม่มีความสุขแล้วจะมีความไม่สบายใจจะมีความหงุดหงิดลำคาญใจมีความเศร้ามีความเหงามีความว้าเหว เวลาที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาที่ไม่ได้ไปซื้อของกินของของเดิมซื้อของอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับใจจึงทำให้ต้องคอยหาเงินทองกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เอาเงินทองที่หามาได้นี่มาซื้ อ, อยาเสพติดเพื่อให้ความสุขกับใจ จึงทำให้ <c oughs> การที่จะรักษาศีนนี้เป็นไปได้ยากพอเมื่อต้องการเงินทองมากๆและง่ายๆและเร็วๆถ้าไปรักษาศีนนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคจะทำให้หาเงินทองไม่สะดวกจึงทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองซื้อความสุขแบบใหม่แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาคือเอาเงินทองไปแจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้อื่นไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไปให้ความสุขกับผู้อื่นเวลาเราได้ทำบุญทำทาน ด้วยเงินทองของเราใจของเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมา <c oughs> เป็นการซื้ออาหารของใจนะการทําบุญทําทานด้วยเงินทองนี้เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจส่วนการใช้เงินทองซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นเหมือนซื้อยาเสพติด ท่านคงจะเข้าเห็นภาพระหว่างยาเสพติดกับอาหารว่าอย่างไหนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อกันถึงแม้ว่าจะให้ความสุขด้วยกันทั้งสองแบบแต่แบบหนึ่งนี้ไม่มีโทษแบบหนึ่งมีโทษคือถ้าซื้อยาเสพติดมาเสพแล้วจะมีโทษตามมาเวลาที่ขาดยาเสพติด เวลาที่ขาดเงินขาดทองจะทำให้ไม่สามารถซื้อยาเสพติดมาเสพได้แต่การซื้ออาหารมาให้กับร่างกายนี้ร่างกายจะไม่ติดเวลาที่ไม่มีอาหารรับประทานถึงแม้ว่าจะมีความหิวแต่ก็จะไม่มีความรู้สึกทรมานใจ คนที่หาความสุขจากการทำบุญทำทานเวลาที่ไม่มีเงินไปทำบุญทำทานหรือเวลาที่ไม่ช่วงที่ไม่มีเวลาไปทำบุญทำทานจะไม่มีความรู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวเรือ่องหงดเหียดนำคาญใจเหมือนกับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อไปดูไปฟังอะไรต่างๆอันนี้จะทำให้ คนที่ทำบุญทำทานนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องดิ้นหลนหาเงินหาทองมากมายเพื่อที่จะมาซื้อความสุขให้กับใจถ้าไม่มีเงินทองทำบุญทำทานก็สามารถหาความสุขในระดับอื่นได้คือระดับศีลได้ ผู้ที่ไม่ทำบุญทำผู้ที่ทาบุญทาทานแล้วจะมีจิตใจอบอ้อมอารีเมตตาจะไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนใครจะก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้ง่ายเวลาจะทำอะไรก็จะระมัดระวังไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายต่างกับคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานจะเป็นคนที่จะอยากได้สิ่งต่างๆมาบำรุงบำรเลอจิตใจก็จะไม่สนใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นเพราะมองไปที่ผลที่จะได้เท่านั้น ส่วนผู้อื่นก็จะเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของตนอย่างไรจะไม่สนใจนก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ก็จะไม่สามารถไปหาความสุขอีกระดับหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการภาวนานซึ่งเป็นความสุขที่ เต็มเปี่ยมเป็นความสุขที่เต็มร้อยการความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้ยังเป็นความสุขที่ไม่เต็มร้อยเป็นความสุขที่พอที่จะทําให้ชีวิตไม่จืดชืดจนเกินไปแต่ถ้าอยากจะให้ได้ความสุขที่มีความมหัศจรรย์ใจจําเป็นที่จะต้อง หัดภาวนากันหัดทำใจให้สงบกันเพราะวาความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองงนั้นการปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติไปตามกำลังของผู้ปฏิบัติถ้ายังไม่สามารถรักษาศีลเพื่อไปบาเพ็ญจิตตะภาวนาได้ ก็ให้หาความสุขจากการทําบุญทําทานไปพรางๆก่อนแล้วก็พอมีเวลาว่างเช่นวันหยุดทํางานวันพระอย่างวันนี้ก็อาจจะลองไปอยู่วัดสักวันหนึ่งเพื่อไปถือศีลแปดแล้วก็ไปหัดภาวนาไปหัดนั่งสมาธิหัดทําใจให้สงบกัน ถ้าได้ลองหัดทมอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะสามารถทาได้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพอเมื่อได้ทาแล้วก็จะได้เริ่มสัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการทำบุญทาทานเหนือกว่าความสุขจากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลง Perry, ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆก็จะทำให้มีความอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วพอปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งจะทำให้อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปจรนาจะอยากไปอยู่วัดตลอดเวลาก็ได้ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการอยู่ที่บ้านกับความสุขที่ได้จากการอยู่ที่วัดนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินก็อยากจะไปอยู่วัดไปบวชกันแล้วถ้าได้ปฏิบัติเต็มร้อยต่อไปก็จะสามารถมีความสุขได้เต็มร้อยสามารถที่จะไม่ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่ามีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ <G ül üyor> อจะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการหลั่งน้ำตา ที่มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรได้ประโยชน์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ให้กับพวกเรา ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่นี้ได้เราก็จะต้องหาความสุขในรูปแบบเดิมคือหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปเรื่อยๆก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆจนกว่าจะ มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกันเมื่อไรเพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของที่ปรากฏขึ้นได้ง่ายนานานจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งแล้วนำเอาคำสั่งคำสอนนาเอาความรู้นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ไม่รู้นานๆคําว่านานๆก็คือหลายแสนล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสักหนึ่งองค์นำมาสร้างมาสร้างพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปได้ช่วระยะหนึ่งสําหรับพระพุทธศาสนาของพวกเราที่เราได้มาพบมารู้จักนี้ ก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะจางหายไปจะไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาอีกหลายแสนล้านปีด้วยกันจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งมาตัดสรุแล้วนำเอาความรู้มาเผยแผ่สั่งสอน มาก่อตั้งพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเราได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นโอกาสที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมาเจอกับพระพุทธศาสนานี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเปรียบเทียบกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้จะง่ายยิ่งกว่า การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานีและผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์และพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าเงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เพราะการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะให้เงินทองกับเราให้เราไปซื้อความสุขต่างๆที่เป็นความสุขแบบยาเสพติดเงินทองที่เราได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ไม่สามารถปลดเปื้องให้เราออกจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกี่ใบก็ตาม เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วเงินทองที่ได้จากรางวัล น, นี้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของการแก่ของการเจ็บของการตายได้และก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบนึงได้นะครัแต่ถ้าเราได้รางวัลของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ที่เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเงินรางวาัลของพระพุทธศาสนาคือรถแห่งธรรมนี้จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับเวลาที่ร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราตายและจะ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือรางวัลหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ด้วยแล้วต้องมีพระพุทธศาสนาด้วยถึงจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้ได้ ถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดราจฉานเหมือนกับสัตว์ป่าที่อยู่ในเขานี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนาอยู่ในวัดอยู่กับผ้าแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะว่าสัตว์ไม่มีความรู้ภาษาของมนุษย์นั่นเองไม่สามารถสั่งสอนสัตว์ให้เรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาได้สัตว์เขาก็จะไม่ปฏิบัต ศินสมาธิปัญญาถึงแม้จะอยู่กับศาสนาอยู่กับพระก็ไม่ได้ประโยชน์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเจอศาสนาเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือตัวเจอพระพุทธเจ้าเองก็ได้ถ้าเกิดในสมัยพุทธกาลก็ได้ก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้า แต่ถ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ต้องพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและไม่ต้องมากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปได้แต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ไม่เข้าหาศาสนาไม่เช่นไม่มีศรัทธาคนบางคนเกิดมาแล้วถึงแม้จะมาเกิดอยู่ใน ประเทศทีม่มีพุทธศาสนาคือประเทศไทยเป็นศาสนาประจำชาติแต่ก็ไม่มีศรัทธาก็มีไปนับถือศาสนาอื่นก็มีหรือไม่นับถือศาสนาก็มีไม่นับถือศาสนาพุทธคือไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติ หรือบางท่านอาจจะมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อแบบงมงายคือเชื่อแบบไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเชื่อแบบทำตามที่เขาทำกันคือไปวัดก็ไปกราบพระในโบสถ์จุดทโกเทียนสามดอกถวายทาน แล้วก็ขอพรขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ลาบยศเสริญอยากได้ความสุขความเจริญต่างๆซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้ พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าหาวัดเข้าวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรียนรู้วิธีหาความสุขเอกรูปแบบหนึง่งคือความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขที่ใช้การปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา เป็นเครื่องมือถ้าเข้าวัดเพียงแต่ไปกราบพระที่โบสถ์แล้วก็ขอพอรถวายบ่อยจากเงินสร้างถาวรและวัตถุต่างๆแต่ไม่ได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ถือว่าไปถึงวัดไปถึงแค่ประตูวัด แต่ไม่ได้ไปถึงตัววัดถ้าถึงตัววัดนี้จะต้องศึกษาพราะธรรมคำสั่งคําสอนต้องฟังเทศอย่างสม่ําเสมอเพราะการฟังธรรมนี้ฟังหนเดียวนี้ยังไม่พอเพียงฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมถ้าไม่น้อมนําเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวก็ไปทําภารกิจอย่างอื่นต่อธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็จะ จางหายไปต้องมันฟังบ่อยๆฟังจนสามารถน้อมนำเอาปอยไปปฏิบัติได้ถึงจะถือว่าพอเพียงต่อการฟังธรรมถ้าฟังธรรมแล้วยังไม่ได้นำเอาไปปฏิบัตินี้แสดงว่ายังฟังไม่พอยังไม่มีธรรมที่จะสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือฟังแล้วไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความเลื่อมใสก็อาจจะไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะยังไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดจากพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะการ วิธีการหาความสุขก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมอยู่ยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ยังหาความสุขผ่านลาบยศสรรเสริญพระจากและรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาอยู่ยังถือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้ จะต้องได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำสั่งคำสอนจนรู้วิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่แล้วเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ในการของการหาความสุขในรูปแบบใหม่ว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการหาความสุขในรูปแบบเก่า ถ้าหาความสุขแบบใช้ร่างกายก็จะต้องเจอความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเองแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมก็คือใช้ทานใช้ศีล ใช้ภาวนาถ้าเราเห็นคุณค่าว่าการหาความสุขในรูปแบบใหม่นี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอีกต่อไปเราก็จะได้ขวนขวายได้ฝึกฝนอบรม ได้พยายามปฏิบัติธรรมกันขึ้นมาจริงอยู่ตอนที่เราปฏิบัติธรรมเราก็ยังต้องใช้ร่างกายอยู่แต่การใช้ร่างกายนี้เพื่อเพื่อที่เราต่อไปจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วต่อไป พอเรามีสติมีปัญญาที่จะคอยผลิตความสุขให้กับเราตอนนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ในเบื้องต้นตอนที่เราเริ่มต้นนี้ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าถึงขั้นของสติขั้นของปัญญาให้มาผลิตความสุขให้กับเราได้เราก็ต้องไต่เต้าขึ้นบันไดไป บันไดที่จะพาให้เราขึ้นไปสู่ขั้นของสติขั้นของปัญญาก็คือขั้นของการทำบุญทำทานขั้นของการรักษาศีลนี่เองนีดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้ไปอยู่วัดไปปรีกวิเวกได้แล้วเรายังหาความสุขจากการใช้เงินทองอยู่ก็ขอให้เราเปลี่ยน การใช้เงินทองหาความสุขไปในทางทำบุญทำทานแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังซึ่งเป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่มีพิษมีภัยตามมาและเป็นความสุขที่ทําให้หิวให้อยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่างกับความสุข ที่เกิดจากการทำบุญทาทานเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยตามมาและเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มไม่ได้ให้ความหิวถ้าเอาเงินเอาทองไปทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆต่อไปความหิวความอยากที่จะหาความสุขจากการไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆนี้มันจะลดน้อยถอยลงไป และทำให้มันหมดไปได้แล้วพอเราไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะทำให้เราไปเปลียกวิเวกได้ไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมได้อันนี้คือขั้นแรกที่พวกเราจะต้องทากันถ้าเรายังติดอยู่กับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนนจาก สิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขจากการทําบุญทําทานกันนะพอเราทําบุญทําทานไปเรื่อยๆแล้วความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ก็จะน้อยลงไปนะ จะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดถ้าเราต้องไปติวิเวกไปอยู่ตามวัดเพื่อไปปฏิบัติธรรมกันนะดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรายังเที่ยวกันอยู่ยังกินยังดื่มยังดูยังฟังกันอยู่ก็ลองเอาเงินทองที่เราใช้กับการเที่ยวเล่นนี้มาทำบุญทำทานกันดูแล้วเราจะได้มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วจะทำให้ความอยากเที่ยวอยากเล่นอยากกินอยากดื่มนี้มันลดน้อยถอยลงไปแล้วจะทำให้เวลาที่เราไปอยู่วัดไปปีกวิเวกนี้จะไม่รู้สึกทรมานใจคนที่ยังไม่ไปอยู่วัดไปปีกวเวกได้เพราะสู้กับความเหงาสู้กับความว้าเหวไม่ได้สู้กับความอยากไปเที่ยวไม่ได้ พอไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกเหงาเพราะใจยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องใช้การทําบุญทําทานเป็นเครื่องมือแก่อุปสรรคที่ขวางกัน้นของการที่เราจะไปปลีกวิเวกของการที่เราจะไปสร้างความสุขในระดับสติและปัญญานั่นเอง นี่คือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไปปีกวิเวกไม่ได้ยังชอบใช้เงินเที่ยวชอบใช้เงินไปซื้ออะไรต่างๆอยู่ซื้อความสุขชนิดต่างๆอยู่ลองเอาความเอาเงินทองที่ไปซื้อความสุขเหล่านี้มาทำบุญทำฐานเราจะได้ความสุขที่ทำให้อิ่มให้พอ ที่จะทำให้รู้สึกเวลาไม่ได้ไปเที่ยวไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาไม่ได้ไปดูไปฟังไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวอยู่บ้านก็ไม่ไม่เหงาไม่ว้าเหวเนีพอเรารู้แล้วว่าเราอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องดูไม่ต้องฟังถ้าเราอยากจะไปสร้างความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไปได้ เราก็จะไปปีกวิเวกได้พราะการสร้างความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้จําเป็นต้องไปอยู่ในที่ห่างไกลจากความสุขแบบเดิมห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากแหล่งบันเทิงมหรสพต่างๆเพราะถ้าเรายังอยู่ใกล้ความอยากที่เคย มีอยู่ในใจมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้แล้วมันก็จะมาสร้างความรู้สึกไม่สบายใจสร้างความอึดอัดสร้างความเหงาความว้าเหวให้กับใจได้แต่ถ้าเราไปหวางไกลจากสิ่งต่างๆมันก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นความอยากของเรามันก็จะทําให้เราสามารถบําเพ็ญเจริญสติจเจริญปัญญาได้น เพราะความสุขที่เราต้องการที่เกิดจากความสงบนี้ต้องเกิดจากการเจริญสติในเบื้องต้นแล้วก็เจริญปัญญาในขั้นต่อไปขั้นที่สองเพราะการใช้สติเป็นการสร้างความสงบนี้เป็นการสร้างแบบชั่วคราวยังไม่ทำลายตัวที่ทำให้ใจเราอยากจะใช้ความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ ก็คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ยังไม่หายไปจากการที่เราใช้สติทำใจให้สงบเป็นเหมือนการเอาหินไปทับหญ้าหญ้านี้ก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือกามาตันหาจะไม่ถูกทำลายไปด้วยกําลังของสติ เวลาเราจะแรงสติเช่นพุทโธพุทโธหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกเราก็จะสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เพราะความคิดหยุดความอยากก็หยุดตามเพราะความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นหัวหน้าเป็นตัวพาไปนั่นเองถ้าเราไม่คิดถึงขนมนมเนยเราก็จะไม่มีความอยากจะกินขนมนมเหนยอะไรต่างๆ แต่พอถ้าเราไม่มีสติไปเผลอคิดถึงขนมนมเนยเข้าเดี๋ยวความอยากกินขนมก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีสติจึงไม่สามารถที่จะทำลายความอยากตัวที่จะพาให้เราต้องกลับไปหาความสุขแบบที่ต้องใช้ร่างกายได้แต่เราต้องอาศัยสติในเบื้องต้นก่อนเพื่อหยุดความอยากแบบชั่วคราวไปก่อน เพราะการเจริญสติมันง่ายกว่าการเจริญปัญญาและการจะเจริญปัญญาได้ก็ต้องมีสติที่มีกำลังมากพอถึงจะสามารถเจริญปัญญาและเอาปัญญามาใช้ในการกำจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้นั่นเองดังนั้นในการปฏิบัติท่านจึงแบ่งไว้สองขั้นด้วยกัน คือท่านสมัตภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมัตภาวนาก็คือการใช้สติทำใจให้สงบให้หยุดคิดให้หยุดความอยากไว้ชั่วคราวพอเรามีกำลังของสติพอที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วเวลาที่ออกจากสมาธิมาเราก็จะมีกำลังที่จะไปศึกษาปัญญาได้ไปศึกษาไตรลักษ ไปศึกษาอาริยสัจสี่ได้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจสี่มีความรู้ความเข้าใจในตรายักษณ์หรือในเรื่องที่จะทําให้ความอยากนั้นหายไปเช่นถ้าเรายัางมีความชอบความสวยความงามอยู่เราก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นความไม่สวยไม่งาม ในสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามนั่นเองหรือถ้าเรายังมีความชอบความอยากรับประทานอะไรต่างๆอยู่เราก็ต้องมีปัญญาที่จะมองเห็นความไม่สวยไม่น่ารับประทานของอาหารต่างๆถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่น่ากินเห็นความไม่สวยไม่งามของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มันถึงจะทำให้เราสามารถหยุด ความอยากในกามได้ความยความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้หรือของอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ได้เนี่ยดังนั้นก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้เราต้องผ่านทางสติก่อนเราต้องมาหัดเจริญสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนเพราะถ้าหลังจากที่เราควบคุมหยุดความคิดได้แล้ว ต่อไปเราจะได้สั่งให้ความคิดของเราคิดไปในทางปัญญานั่นเองถ้าเรายังไม่สามารถสั่งให้หยุดความคิดได้ เ, เวลาเราจะสั่งให้ความคิดคิดไปในทางปัญญามันจะไม่ไปหรือมันไปมันไปได้เดียวเดียวคิดไตลักได้เดียวเดียวคิดอริยสัจสีได้เดียวเดียวเดียวถูกกำลังของกิเลสคือความอยากนี้ฉุดลากให้กลับไปคิด หาลาบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพภะใหม่เนี่ยฉะนั้นการจะเจริญปัญญาได้นี้จำเป็นต้องมีสติที่มีกำลังที่สามารถที่จะสั่งให้ความคิดคิดไปในทางใดทางหนึ่งได้สามารถสั่งให้หยุดความคิดได้ถ้าสั่งให้หยุดความคิดได้ก็จะสามารถสั่งให้คิดไปทางใดทางหนึ่งได้ถ้ายังไม่สามารถหยุดความคิดได้ เวลาจะสั่งให้คิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปได้ไม่นานหรืออาจจะไปไม่ไม่ไปเลยก็ได้มันจะถูกกำลังของความอยากนี่ให้ดึงให้ไปคิดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากสิ่งที่สวยๆงามๆหาความสุขจากอาหารที่น่ารับประทานอะไรต่างๆนะดังนั้นการปฏิบัติ จึงจำเป็นที่จะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าทำข้ามขั้นตอนแล้วจะล้มเหลวจะไม่เกิดผลขึ้นมาขั้นต้นจึงต้องสอนให้ทำทานก่อนเพื่อเลิกการใช้เงินไปเที่ยวไปหาความสุขจากการใช้เงินทองต่างๆโดยการเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานแทน พอเราทำให้ความอยากไปเที่ยวอะไรต่างๆนี้หยุดได้มันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกเหงาเวลาที่เราจะต้องไปอยู่คนเดียวพอเราไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้มีมีเวลามีสถานที่แวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราจเจริญสติได้ง่ายถ้าเราอยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ เราจะเจริญสติได้ยากให้เราเราเลิกถึงพุทธโธได้สองคำเดี๋ยวได้ยินเสียงคนนั้นใจเราก็จะไหลไปกับเสียงคนนั้นเห็นรูปคนนั้นก็จะไหลไปกับรูปคนนั้นพุทธโธก็จะหายไปแต่ถ้าเราไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่เห็นใครไม่ได้ยินเสียงใครไม่รับรู้เรื่องอะไรจากใครเราก็จะ สามารถควบคุมบังคับให้ใจของเราอยู่กับพุโทโธได้ให้เราหมั่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ว่าเราจะทำภารกิจการงานอะไรต่างๆก็ดีถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเราเราสามารถจเจริญสติควบคู่ไปกับการกระทำงานต่างๆได้เพราะงานที่เราทำนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากนั่นเอง เป็นงานทําความสะอาดเป็นงานดูแลร่างกายของเรารับประทานอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวงานต่างๆเหล่านี้เราสามารถจเจริญสติควบคู่ไปได้ด้วยกันได้จะใช้พุทธโธก็ได้หรือจะเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันเราก็จะสามารถ ควบคุมใจให้อยู่กับเหตุการณ์เหตุการณ์เคลื่อนไหวของร่างกายได้เราก็จะสามารถทาใจให้นิ่งให้ว่างได้แล้วพอเราว่างจากการทำงานที่จำเป็นต่าง ๆ, ๆเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อหรือจะใช้คำบรากรรมพุทโธพุทโธต่อเราก็จะสามารถ บริกรรพุทธโธไปได้อย่างไม่มีอะไรมาลบกวนดึงให้พุทธโธหายไปถ้าดูลมก็สามารถดูลมต่อได้อย่างต่อเนื่องถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบ ก, ก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการหาผ่านทางร่างกาย ก็จะทำให้เรานีออ้มีความมั่นใจมีกำลังที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะเรารู้ว่าความสุขที่เราได้จากความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินี้ยังไม่ได้ไปกำจัดความอยากที่เพียงถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสติเท่านั้นพอเราออกจากสมาธิมาแล้วทีนี้พอ จิตของเราเริ่มคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องเอาปัญญามาห้ามถ้ามันอยากจะไปทางใดทางรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องเอาปัญญามาห้ามให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เที่ยงเวลาได้มาแล้วหมดไปจะทำให้เราทุกข์เนี่ยพอเราเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะ หยุดความอยากได้หรือเวลาที่เราอยากจะไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเราก็นึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของเขาถ้าเรานึกถึงเห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาได้มันก็จะทำให้เราชะ ง, งักความอยากที่อยากจะไปหาความสุขอยากเขาก็จะหยุดไปได้ ถ้าเราอยากจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารพอเรานึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมามันก็จะทำให้ความอยากรับประทานอาหารนั้นหายไปได้เราต้องมีกําลังดึงใจให้มานึกถึงความรู้เหล่านี้การจะนึกถึงความรู้เหล่านี้ได้เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆหมั่นพิจารณาอาสุภะอยู่ บ, บ่อยๆ มันพิจารณาตายรักอยู่บ่อยๆมันพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอยู่บ่อยๆถ้าเรามันทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปพอถึงเวลาที่เราจะต้องเอาความรู้เหล่านี้ขึ้นมาเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็จะนึกไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้จดไม่ได้จํามันไว้ การพิจารณาอยู่เนืองเนืองนี้เพื่อสร้างเพื่อให้มันติดอยู่ในใจของเราให้เราไม่หลงไม่ลืมนั่นเองเนี่ยนี่คือขั้นของปัญญาที่ยากกว่าขั้นของสติและต้องมีขั้นของสติมาสนับสนุนถึงจะสามารถทําให้ใจสามารถคิดไปในทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีสติกำลังที่จะหยุดความคิดได้ คิดไปทางปัญญาได้แค่สองสามวินาทีก็ถูกกิเลสเดิงไปคิดเรื่องอื่นหมดนะก็จะไม่มีความรู้ทางปัญญาติดค้างอยู่ในใจเพราะเวลาเจอความเวลาความอยากโผล่ออกมาก็ไม่มีเครื่องมือที่จะหยุดมันได้นั่นเองแต่ถ้าเราผ่านขั้นตอนต่างๆไปทำทานไปเพื่อไปสร้างศีลสร้างศีลเสร็จก็ไปสร้างสติให้เกิดสมาธิ พอได้สติได้สมาธิก็จะมีกำลังมาสร้างปัญญาพอมีปัญญาอยู่ในใจแล้วเทนี้เวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอความอยา ก, กต่างๆหายไปหมดใจที่วุ่นวายเพราะความอยากก็จะหายวุ่นวายใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติไป ก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจใจก็จะสงบไปตลอดเมื่อใจสงบใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มไปตลอดก็จะทำให้ไม่ต้องมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเพราะใจสามารถมีความสุขได้โดยที่ ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้าร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปนี่คือ วิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงพิสูจน์มาแล้วได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้รับผลมาแล้วและได้การรับรองจากพระอาหลานตสาวกทุกรูปแล้วว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่แท้จริงวิธีการที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงและถาวรเป็นวิธีการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้หมดสิ้นไป นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าวัดกันอย่างสม่ำเสมอเราจะได้เรียนรู้และเราจะได้ปฏิบัติและเราจะได้บดรรลุถึงผลของการปฏิบัติคือได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม <c oughs> ที่ชนะรสทางปวงนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปปักปฏิอิชิตังปฏทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติ ภราสยตาสพีติฏโยวิวาจันตุสัพพโรโวินาศตุมัเตภวตวันตรายุสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาทานสีริษะนิจังวุธาปจายโนจตรารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถาม พอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทำงานอย่างอื่นต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ f a c e b o o ห้า4 y o ย t ี่สิ5สสห้าสวิทยาออนไลน์ส1บอผู้เราฟังบนเขาสอง้ยี่สิบแปด รวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อสิบสามครับรอาจารย์ใครอยากจะถามเชิญเลยให้ท่านผู้การก่อนส่งไว้ขับพระอาจารย์ครับจากการอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์ผมนำใบปฏิบัติมองเห็นทุกในอริยสัจสี่กระจ่าง ชัดเจนขึ้นครับแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ประมาณสองข้อครับข้อที่หนึ่งคือหนทางของการฝึกเทียดับทุกข์ให้ทาวนเนี่ยมีวิธีฝึกยังไงผมขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับก็ต้องหยุดด้วยปัญญาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องถามดูว่าเรากำลังอยากอะไร พอเรารู้ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นสุขจริงหรือไม่หรือเป็นทุกข์เป็นตายรักหรือไม่เป็นตายรักถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตายรักไปหมดที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นไม่เป็นตายรักอยากให้เขาเป็นนิ จ, จังสุขขังอัตตาพอเขาจะเป็นตายรักขึ้นมาเช่นคนที่เรารักเนี่ย คนคู่ครองของเราพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายขึ้นมาเราทุกข์ขึ้นมา mm hmm. ก็เพราะว่าเราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองครับนี่ความอยากในสิ่งที่เป็นตายรักมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นตายรักเขาไม่ได้เป็นนิจจังสุขขงังอัตตาเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งครับ คือผมเอาสติและปัญญาไปพิจารว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไตรลักษณ์โดยการความคิดปรุงแต่งนั้นเปล่าครับพระอาจารย์ก็ต้องมองที่ของจริงเนี่ยเราปรุงแต่งเวลาที่เราไม่ไมีเหตุการณ์จริงเราก็ปรุงแต่งไปก่อนนึกไปก่อนเช่นนึกถึงร่างกายของเรา วามันเดียวมันก็ต้องตายแต่มันยังไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นความปรุงแต่งแต่พอเราติดไข้หวัดขึ้นมาแล้วหมอบอกว่ามีโอกาสตายได้ทีนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่เตรียมซ้อมไว้ก่อนเตรียมเอาปัญญาว่าต้องปล่อยวางสิ่งที่เป็นตายรักอย่าไปอยากในสิ่งที่เป็นตายรักปล่อยเขาไปเขาอยากจะไปก็ให้เขาไป ถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาครับคือฝึกพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องไตรลกักษบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเข้าห้องสอบแล้วมันจกเกิดก็ให้เกิดเพราะว่าธ า, าตุทั้งสี่หรือรูปนามของเร า, าไม่ใช่ของเราใช่ถ้าไม่ซ้อมไว่กัดมันจะไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดครับแล้วมันก็จะอยากให้มันอยู่ยกับเราพอมันไม่อยู่เราก็เลยจะทุกข์ แต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลามันจะไปเราก็อ๋อไปก็ไปสิก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปก็ปล่อยปล่อยก็ไม่ทุกข์ ค, ค, คือผมก็พยายามใช้ตัวนี้แต่ ผมมาหลังจากใช้แล้วผมพิจารณาจิตเนี่ยมันยังแข่งอยู่ในอ่าความอยากไม่อยากอยู่พระอาจารย์สแสดงว่าสติผมนี่ยังยังไม่พอะนะครับสมาธิยังไม่ไม่นิ่งครับยังเข้าถึงอัปปนาไม่ได้ครับครับอ่างั้นผมต้องสร้างสติให้เข้าถึงอัปปนาได้อย่างไรอาจารย์ช่วยชี้แนะชี้นาด้วยครับพยายามอย่าคิดเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืน มีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุทโธเลือดูลมไปเดี๋ยวนี้เพิ่มเวลาขึ้นจาก4โมงไปถึง8โมงเช้าป่ะจ๊ะแล้วก็พอกินข้าวเสร็จก็เอาอีกแต่เที่ยงพักพักแล้วก็่าบ่าย็นอะไรก็เอาอีกต้องเอามันทั้งวันทั้งคืนนะถึงจะเอามันเข้าไปในสมาธิได้แต่แต่มันยังแว่งไม่ค่อยอยู่แสดงว่าผมยังทาไม่ถึงขั้นนะครับ ก็ช่วงที่มันแขวงก็เราไม่มีสติครับพอมันเริ่มแขวงเราต้องรีบดึงพุโทโธมาแล้วเราถ้าเราพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็หายแขวงได้ครับ<ม>คือการสร้างสตินี้ใช้พุโทโธอย่างเดียวถูกต้องไหมครับอาจารย์ไม่รู้อ เ, เราถ้าเราถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธถ้าเราถนัดอย่างอื่นบางคนใช้ความตายก็ได้พอคิดถึงความตายหายแขวงเลยก็มีครับ ผมจะไปอพิจาราดูว่าไอ้ที่มันแขว่งเนี่ยผมจะหยุดแขว่งได้ยังไงให้ไปไปหาประ เ, เหาผล อ, อบางทีแขว่งเพราะอยากให้เป็นนั้นเป็นนี่พอคิดถึงความตายมันหายแกว่งเลยถ้ามันโลภมันใช้ความตายก็ช่วยหยุดแขว่งได้ครับถ้ามันโกรธก็ต้องใช้เมตตาต้องให้อภยัยปล่อยวางช่างหัวมันเอคครครัับบก็จะหายแกว่งมันแล้วแต่เหตุการณ์ด้วยที่ทําให้ใจเราแขว่ง รเราก็ต้องหายามาแก้มันครับซึ่งแต่ละยาก็ไม่เหมือนกั น, นปวดหัวก็ต้องเอายาแก้ปวดหัวมากินครัปวดท้องก็ต้องเอายาแก้ปวดท้องมากินแต่ถ้าปกติมันไม่แกว่งเราก็ใช้พูดโธพูดโธคอยคุมความคิดไปครับสาธุผมอาจะเอาความรู้จ า, จากพระญาย์อบรมสั่งสอนไปปฏิบัติให้เพิ่ม อ่าในอริยมรรคอริยสัจสี่เพิ่มขึ้นครับอนั่นละอยู่ตรงนั้นเน่ยตายรักอริยสัจสี่มันตัวเดียวกันครับเนีตายรักอยู่ในมรรคครับมีคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง หมอละสามีเห็นตรงกันว่าควรรักษาแพทย์แผนปัจจุบันคือการผ่าตั ด, ดและคีโมแต่ทางครอบครัวแนะนําว่าให้รักษาแบบแพทย์ทางเลือกดิฉันควรตัดสินใจอย่างไรดีเจ้าคะก็เป็นนางกายของเราเนะีเราต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเลือกทางไหนแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือทางธรรมะ คือใช้ธรรมโอรสพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปถ้าเราได้ทางธรรมแล้วทีนี้เราจะเลือกทางไหนก็ได้ทางเรื่องทั้งสองทางเป็นการประวิงเวลาเท่านั้นเองคือยืดเวลาชีวิตให้มันอยู่ต่อไปได้ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็ต้องตาย แต่ถ้าเราใช้ธรรมโอรถแล้วนี่เราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลามันจะตายแรือมันไม่ตายจะรักษาทางไหนก็ไม่ไม่ไม่วุ่นวายใจรักษาได้ทั้งสองทางไม่รักษาก็ได้มีสามทางเลือกถ้ามีธรรมโอรถแล้วก็เลือกได้ทั้งสามทางคำถามจากคุณนรงคะกลับนามสกัรพระอาจารย์ครับ จิต ท, ที่ชอบคิดชอบสงสัยจะทําอย่างไรให้หายเป็นคนชอบสงสัยครับก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความสงสัยเกิดจากความไม่รู้นั่นเองพอเราเรียนรู้มากขึ้นความสงสัยในเรื่องราวต่างๆก็จะน้อยลงไปพระพุทธเจ้าบอกให้คบบัณฑิตให้อยู่กับคนฉลาดคนที่มีความรู้คือพระพุทธพระธรรมพระสง์ ศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความสงสัยต่างๆจะหายไปหมดคะคำถามจากคุณรุ่งฤดีค่ะกราบนามสการพระอาจารย์ดิฉันปฏิบัติสมาธิผ่านสื่อต่างๆหากคำถามไม่เหมาะสมขอพระอาจารย์โปรดไม่ตาสภาวะจิตรวมกับสภาวะอยู่ในฌานเป็นอย่างไรเจ้าคะเป็นอันเดียวกันเนี่ย มันเป็นจิต ท, ที่สงบนิ่งปราศจากความคิดปุุงแตง่งเหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจมีความสุขอย่างมหัศจรรใจจะรู้จริงก็ต้องปฏิบัติสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะจิตต้องเห็นความจริงของใจรัก จิตเกิดการสลัดออกปล่อยวางเกิดความว่างทุกอย่างว่างหมดทั้งข้างนอกและข้างในถูกต้องหรือไม่เจ้าคะพอปล่อยวางทั้งข้างนอกทั้งข้างในได้ข้างนอกก็รูปเสียงกลิ่นลดลาบยศสรรเสริญร่างกายแล้วก็ปล่อยเวทนาความรู้สึกแล้วก็ปล่อยอารมณ์ในจิตเนี่อยไว้อยู่ข้างในปล่อยสิ่งเหล่านี้ได้หมด จิตก็จะว่างจากสิ่งเหล่านี้ไม่วุ่นวายไปกับมันถึงแม้จะอยู่กับมันก็ต่างคนต่างอยู่ไปเหมือนหยดน้ำบนใบบัวถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซับน้ำไม่ซึมเข้าไปในใบบัวสำหรับจิตที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นถ้าจิตที่ไม่มีปัญญามันจะดูดหมดมันเหมือนกระดาษซับกระดาษซึม พยดน้ำเข้าไปบนกระดาษซับมันจะดูดเป็นเนื้ออันเดียวกันจิต ท, ที่เป็นผูุ้ชนนี้จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะไม่ปล่อยมันไม่ไม่แยกมันออกจากใจคำถามจากคุณนัทวัตค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์ว่าแม่กินเหล้าด่าลูกแช่งลูกเวลาลูกเถียงกลับจะบาปหรือไม่เจ้าคะ บาปม่ลูกไม่ควรเถียงแม่เถียงพ่อควรจะคารบพ่อคารบแม่ถึงแ ม, งแม้สิ่งที่พ่อแม่พูดอาจจะไม่ถูกก็ตามไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเถียงแต่ถ้าพ่อแม่ถามความเห็นของเราเราก็พูดได้แต่ท่านไม่ถามก็อย่าไปพูดอะไรเราเป็นลูกเป็นมีหน้าที่รับฟังคำสั่งคำสอนของท่าน ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำตามหรือไม่ทำตามนี้เป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราเห็นว่าเป็นคําสอนที่ผิดไม่ควรทำตามเราก็ไม่ต้องทำตามก็ได้แต่เราไม่ต้องไปเถียงคําถามจากคุณส้มค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะทำไมถึงฝันเห็นคนตายทุกคืนทั้งๆที่ไม่ได้คิดอะไรเจ้ า, าค่ะก็จิตสานึกจิตใต้สำนึกเรามันอาจจะเคยคิดเคยเจอคนตายมาอยู่เรื่อยๆก็ได้ ชาติก่อนอาจจะเป็นสัพเหเลอรหรือเป็นคนเก็บศพก็ได้มันก็เลยฝังอยู่ในใจเราพอเรานอนหลับมันภาพเหล่านี้มันก็จะปรากฏขึ้นมาควรจะดีใจเพราะคนปฏิบัติธรรมนี่อยากจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเพราะคนที่เห็นภาพเหล่านี้แล้วจะเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องกลายเป็นซากศพพอเห็นว่าร่างกายของเราต้องเป็นซากศพเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมัน พอเราเตรียมใจรับมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่รู้สึกเศร้าหมองไม่รู้สึกเสียใจคำถามจากคุณจัมโบ้ค่ะการใช้พุทโธ <c oughs> เราต้องพูดในใจด้วยความเร็วอย่างไรครับตามสบายตามความต้องการบางเวลาก็อาจจะอยากให้มันเร็วก็ได้ถ้าความคิดมาก เราก็อาจจะให้มันเร็วแต่ถ้าไม่มีความคิดหรือคิดน้อยเราก็พุโทโธพุโทโธไปตามสบายเหมือนขับรถยนต์รถยนต์ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ตามตามสภาพจราจรบางทีวิ่งเร็วก็ต้องใส่เกียร์เร็ววิ่งช้าก็ใส่เกียร์ช้าก็ต้องดูสภาพของจิตเราว่ามันต้องการให้มันเร็วหรือให้มันช้า คำถามจากคุณประไพพัฒนค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าเรานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธสักพักจิตรู้ว่าเบื่อแล้วอยากจะหยุดภาวนาดิฉันเลยลุกเดินจงกรมโดยการท่องอิติปิโสแทนเหมือนว่าจิตไม่นอกลู่นอกทางดีขึ้นแบบนี้ทำถูกหรือไม่คะถูกแล้วเปลี่ยนอิริยาบทได้ช่วงไหนที่ทาแล้วมันรู้สึกมันไม่คืบหน้าก็ลองเปลี่ยน เป็นนิริยาบทแล้วมันเดินการเดินนี้จะช่วยสร้างสติได้ดีกว่าการนั่งการนั่งนี้ต้องรอให้มีสติแล้วถึงจะนั่งถึงจะได้ประโยชน์คำถามจากคุณวิโรธค่ะกับเรียนถามท่านอาจารย์ทุกอย่างเป็นมายาใช่หรือไม่ครับ คือมันไม่เที่ยงไงมันเลยหลอกเราวันนี้สวยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีอาแกใ่ใชแล้วเนี่ยมันเป็นมายามันหลอกเราคำถามจากคุณรัชดาวันค่ะทำยังไงถึงจะทายังไงถึงจะมีสติคะจิตชอบคิดลอยๆเจ้าค่ะก็มันพุโทโธเรื่อมันสวดมนต์ไปภายในใจเราสามารถ ใช้พุทโธหรือใช้การสวดนีนควบคุมจิตให้จิตมีสติขึ้นมาได้สวดอิติพิโสไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราไม่ชอบพุทโธถ้าเราชอบพุทโธเราก็พุทโธไปจิตของเราก็จะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอะไรต่างๆจิตก็จะมีสติจะอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ไม่มีเข า, มาไม่มีแล้วเนอะ นะเรื่องสตินี้เป็นเรื่องสาคัญสตินี่แหละเป็นประตูสู่พระนิพพานกุญแจสู่พระนิพพานถ้าไม่มีสตินี้ไปนิพพานไปสวรรค์ไม่ได้เพราะจะถูกความคิดภายในทางต่ำคือความคิดของกิเลสตัณหาดึงให้ไปทำบาปทำกรรมดึงให้ไปเ ว, วียนว่ายตายเกิดไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ แต่พอมีสติปั๊บจิตใจเย็นจะเบาจะสบายจะไม่รู้สึกหิวโหวยเหมือนเมื่อก่อนก็จะสามารถหยุดความอยากที่จะไปหาสิ่งต่างๆที่จะพาให้ไปิด็กกับการเวียนว่ายตายเกิดได้เบื้องต้นต้องสร้างสติขึ้นมาเมื่อมีสติแล้วก็สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เมื่อมีสมาธิก็จะมีกำลัง ที่จะใช้ปัญญามาทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกสติกันฝึกได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นค า, ารวาฝึกที่ไหนก็ได้เพราะสติอยู่ที่ใจตราบใดที่เราคิดได้เราก็ต้องใช้สติได้เพราะสติเป็นตัวหยุดความคิดเนี่ยพอเริ่มคิดปั๊บ เราก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธพุธโทโธหยุดมันไปปล่อยจ ะ, จะปล่อยให้มันคิดก็ต่อเมื่อคิดเรื่องที่จําเป็นเช่นเวลาทํางานต้องใช้ความคิดก็ปล่อยมันคิดไปในเวลาไม่มีความจําเป็นอย่าต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดใช้พุโทโธพุธโทโธใช้การสวดอิติพิโสหยุดมันอืม มีไหมมีคาถามมั้ยม่มีเจ้าค่ะแต่ค่อนข้า ง, งยาวค่ า, าคำถามจากคุณกัลยาค่ะกราบนมัสการและขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะหนูทำตามคำสอนของอาจารย์อย่างสม่าเสมอและพบว่าตัวเองฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจะฝึกต่อไปอย่างไรดีคะก็ฝึกต่อไปแบบที่กาลังฝึกอยู่ ดูว่าตอนที่ได้ผลมันเป็นยังไงแล้วก็พยายามเอาแบบนั้นมาฝึกต่อไปมีต่อเจ้าค่ะแต่หนูมีความทุกข์ที่คิดไปว่าตัวเองไม่กระตันอยู่ต่อคุณแม่เท่าที่ควรเพราะหนูอยู่ฝรั่งเศสคุณแม่อยู่เมืองไทยอายุ76ปีแต่ได้คุยและดูแลท่านคุยกันทางไลน์ทุกวันคุณแม่สุขภาพดีทั้งกายและใจ แต่หนูยังรู้สึกผิดและทุกอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะปฏิบัติดูแลท่านให้ดีกว่านี้แต่ด้วยหน้าที่ครอบครัวก็ต้องแยกกันอยู่ไกลจากคุณพ่อคุณแม่เจ้าคะก็ความกตัญญูไม่จาเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตามใดที่ท่านเราดูแลท่านไม่ให้ท่านทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากให้ท่านอยู่สุขอยู่สบายก็ถือว่าเราได้มีแสดงความกตัญญูกตเวทีกับท่านแล้ว ยิ่งสมัยนี้ยิ่งอยู่เหมือนอยู่ติดกันเปิดโทรศัพท์ก็เห็นหน้ากันพูดกันเหมือนอยู่บ้านเดียวกันสมัมนี้บางทีคนอยู่ในบ้านเดียวกันยังไม่เจอหน้ากันเลยใช้ใช้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ว่าจะต้องอยู่ติดกันถึงจะมีความกระตันอยู่ เราสามารถอยู่ห่างไกลแต่เราส่างความช่วยเหลือมาในรูปแบบของเงินทองได้จ้างคนอื่นให้ช่วยดูแลท่านได้คะคำถามจากคุณกำพลค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไรครับถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดก็ต้องไปบวชถือศียของพระ หรือของสำของเนรหรือของภิกษุณีหรือของแม่ชีนะเพื่อที่จะได้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้เจริญสติอย่างตลอดเวลาได้เวลาได้มีเวลานั่งสมาธิอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้เรียนรู้ทางปัญญาจากครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้เอาไปเป็นทไปทำให้เป็นปัญญาของเราต่อไป ตอนเราไม่มีปัญญาเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดให้กับเราพอเรารับปัญญามาจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอามาเจริญให้มันติดอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่พิจารณาตามอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเลือนมันจะหายไปพอเรามีปัญญาอยู่ในใจเราก็จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ที่มาพายเรามาเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปเราก็จะได้หลุดพ้นจะได้ไปถึงพระนิพพานคำถามจะคุณภัยหลิวค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมดขึ้นหน้าควรทำอย่างไรคะไม่ต้องไปสนใจนะให้เราอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าเราให้ความสนใจเดี๋ยวเราอด ทนความลำแขวนไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดตาแล้วต้องขยับมือมาขยําที่หน้าเราแต่มันเป็นอาการที่มันหลอกเราแต่ละคนจะมีอาการแปลกๆมาหลอกเราเวลานั่งสมาธิบางคนก็ขันตรงนั้นคันตรงนี้บางคนก็คิดว่ามีน้ำลายจะไหลออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวอาการเหล่านั้นมันก็จะจางหายไป ถามจากคุณแหม่มคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าสภาวะจิตของผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้จะมีแต่ความเศร้าหมองใช่ไหมเจ้าคะถ้าไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบก็จะมีแต่ความรู้สึกหงดหงิดลาคาญใจซึมเศร้านี่เป็นผลจากความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วหาไม่ได้ เราต้องมาหัดหาความสุขแบบวิธีอื่นหาความสุขจากการฟังเทศก็ได้หาความสุขจากการสวดมนต์ก็ได้หาความสุขจากการนนอนสมาธิก็ได้ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็นอนสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปพุทโธไปแล้วใจจะไม่ดหดเหยียดไม่ลำคาไม่เสืมเศร้าเอาคำถามสุดท้ายแล้วนะ คำถามจากคุณป้องค่ะฟังเทศพระอาจารย์แล้วไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากซื้อของแพงๆยกเว้นปัจใจสีเพราะคิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมองหาโอกาสทำบุญทำความดีตลอดเวลาและหาเวลามาภาวนาคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องแล้วแหละเป็นวิธีที่จะพาให้เราได้ไป หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายของเราเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเขาอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ